ต่อจากนี้ไปขอให้ยัตยมตั้งใจฟังธรรมกันเราได้มาร่วมกันคือในการฟังธรรมะถ้าจริงเราควรที่จะ ให้มีจิตใจสงบอะไรก็ขอให้เราทุกคนคือนั่งสักพักหนึ่งทำให้จิตใจของเราสงบคือทุกคนก็ได้ เ, เดินทางม า, าก็ได้อยู่บนถนนใน มาจากบ้านมาจากที่ทำงานมาจากการได้คลุกคลีด้วยโปกปะกับเสิ่งแวดล้อมอที่มากระทบหูตา <c oughs> ของเรา <c oughs> เมื่อไม่การสัมผสัสอย่างนั้นก็มีการเกิดขึ้นของอารมณ์ ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในเวลานี้ขอให้เรานั่งทำจิตใจสงบสักขนานทีเราได้สร้างความสำรวมไว้ในจิตของเราเพื่อได้เตรียมจิตใจของเราเพราะว่าจิตของเราในการฟังธรรม ก็ควรจะมีความสงบมีความนอบน้อมต่อธรรมะโดยต่อจากนี้ไปขอให้เราทุกคนตั้งใจอยู่ในความสงบตั้งสติไว้ที่กายลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ทำให้สติ เดนขึ้นมาในจิตใจของตนสัตติคือการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันกายและใจของเราอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเป็นฐาน ขอให้เรานั่งทำให้สติเกิดขึ้นและประคับประคองไว้ภายในใจของเราสักพักหนึ่ง เทาที่แค่นั้นก็สมควรนะพอได้ทำให้ใจของเราหยุดสักหน่อยนะเพราะว่าการ <c oughs> ได้ฟังธรรมมากก็ดีหรือจะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเราต้องรู้จักหยุดโดยปกติเราคุนกับสิ่งที่เราทำ แล้วก็ทำนี่ทำนั่นนะแต่ว่าการหยุดนะบางที่เราไม่ค่อยคุณไม่ค่อยไม่ค่อยแปลงในการที่รู้จักหยุดด้วยรู้จักทำด้วยจึงจะจึงจะได้มีความสมดุลมีความพอดีในเรื่องการปฏิบัติ <c oughs> เนี่ยหนึ่งอย่างที่ได้ยินคือสถานที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะอ า, อาศายัยหลักครูบาอาจารย์ที่มาจากสายของอท่านอาจารย์พระโมทหรือของสายหลวงพ่อเทียนซึ่งเท่าที่รัตมา ทราบหรือเคยได้สังเกตหรืออ่านหนังสือดูดูทั้งสองนี่จะอศาศัยหลักสติซึงเป็นถ้าจริงก็เป็นหลักที่กว้างกวางที่พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ให้ความสำคัญเพราะว่าเกรียงลงพอช้าเองเอท่านพูดคือคนสัตคนขาดส ต, ติวินาทีก็เป็นบ้าวินาทีขาดสตินาทีนึงก็บ้านาทีนะ้ำขาดสติวันนึงก็บ้าวันนึงนะเลยาการที่ ทำให้มีส ต, ติตอนเนื่อง้ก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญสาคัญมากเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักใครที่สมัครจะเป็นคนบ้าแหลอมักจะเป็นเอาเองกันนะไม่ค่อยสมัครเท่าไหร่ <c ười> แต่ว่า veer, เราก็ในเมื่อเราขาดความจำนาน ในการบริบรหารจิตใจของตัวเองในการทำให้สติต่อเนื่องอวันก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ก็ขาดเคลื่อนออกจากการมีลักภายในจิตของตัวเองอย่างเวลเราขาดสติหรือสติไม่หนักแน่น เราจะเชื่ออารมณ์ของตัวเองเชื่อความรู้สึกเชื่อความคิดเชื่อความการนึกมีความาวามีอารมณ์ยังไงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เป็นแกนหรือเป็นสิ่งที่สาคัญะจะต้อง <c oughs> มีการคิดนึกต่อใน การที่มีสติคอยกากับไว้ได้เห็นว่า อ, อ, อารมณ์ภายในจิตใจของเราจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามก็ซักแต่ว่าอารมณ์คนส่วนใหญ่แล้วไม่เห็นอย่างนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นยังไง อก็จะมีมีเหตุผลเพียบพร้อมอที่จะถือว่าเบนรเล่อแล้วก็สมควรที่จะมีความคิดความรู้สึกอย่างนั้นจะเป็นความชอบใจชอบใจรักพอใจอก็จะมีเหตุผลพร้อมแหละนั่นสมควรนะ่ะหน้ามีอย่างนั้นอื จะมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นออมีความเกลียดมีความลำคาญก็เหตุผลมันมาพร้อมออมาบอกเราสมควรละนะ เ, เ, เขาหนาเกลียดมากเขาไม่ควรทำอย่างนั้นก็ไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้ออสมควรที่จะที่จะมีความ รู้สึกที่ที่เครียดที่ที่ทเกลียดที่ชั่งแต่มันไม่สังเกตดูว่าจะมีความรักก็ดีมีความชั่งก็ดีมันทุกทางนั้นนะ่ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ไม่สังเกตนะเนี่ยมีแต่ตามหลังว่าเน่ทไม ถ้ให้ฉันมันทุกข์อย่านี้แหละแต่มันไม่มันไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้สร้าง <c oughs> ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้หลงอย่างที่หลวงพ่อชาได้ยกตดวอย่างาสมมุติสมมุติว่ามีคนสคักคนหนึ่งเขามี ของที่มีค่าะจะเป็นแวนเป็นนาลิกามันตกหลงอยู่ในหลุมเราก็จะไปเอาขึ้นมาก็เอาแขนของเราไปเอาไว้ในหลุมนะจะจะเอาเอามันขึ้นมาก็อยากได้อีกเนะสียดายมันก็อยากได้แต่ว่าเราก็ เมื่อไม่ถึงด้ยมันก็ยังอยู่ในหลุมอยู่คนส่วนยายแทบทั้งนั้นจะโทษจะโทษว่าหลุมมันลึกไปมันไม่มีใครว่าแขนมันสั้นไปมันโทษแต่เรื่องภายนอกแล้วมันไม่ดูตัวเองและนี่แหละ โลกเราก็เช่นเดียวกันนะเราอยู่ในโลกเละอา่อามันทีเราทุกอยู่มันเพราะคนนั้นพูดอย่างนี้เพราะโลกเขาเป็นอย่างนี้มันวุ่นวายอย่างนี้มันไม่ได้ตามที่ต้องตังใจอย่างนี้อ่มันไม่ดูมันดูภายนอกทั้งหมดมันไม่ดูตัวเองเลยสัตย์มีนาที่ที่จะช่วยวกกลับให้เราดูตัวเองให้ได้อา่าให้แหง อารมณ์คือสักแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกากายที่มีหน้าที่ในการ <c oughs> รับรู้ก็สักแต่ว่ากายจิตที่มีหน้าที่ในการรับรู้เข็ดนึกก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าการเคลื่อนไหว นี่มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เคดไม่นักเลยมันมีสติฐานอะไร <c oughs> เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> แต่มันเป็นของที่เรา ม, ามั่งค้าเป็นสิ่งที่เราคือไม่ใจว่าสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่มันสิ่งที่เราไม่ได้ทํอยัางต่อเนื่อง เลยไม่มีความชำนาญพอเลยการที่เราทำให้มีการยุดสักน้อยหนึ่งอย่างที่เราเริ่มต้นวันนี้เราก็ยุดสักพักหนึ่งสามนาทีสี่นาทีก็เป็นโอกาสที่สำรวมสำรวมจิตใจไว้ยิ่งยะเราอยู่ใน หายโลกอยู่ในมีการรับผิดชอบมีหน้าที่การงานมีหน้าที่ในครอบครัว เ, เราก็ก็ให้รู้จักยุดเป็นครั้งเป็นคราวเป็นเป็นการเป็นเวล า, ายิ่งเราูรู้จักยุดยุดไม่ใช่ว่า นิง่งซะเลยไม่มีอะไรความรู้สึกอะไรเลยแต่ว่ายุดเพื่อให้มีความสํารวมเกิดขึ้นยุดเพื่อให้สติรวบรวมภายในจิตใจของเราเพราะไปป ก, กติจิตมันถูกถูกชักลากไปถูกชักลากไปตามตามอารมณ์ถูกชักลากไปตามความรู้สึกน <c oughs> อย่าง ที่พระพุทธเจ้าได้เคยได้ยกตัวอย่าง <c oughs> สัตว์ท่านๆยกยกตัวอย่างสมบุติว่ามีสัตว์หกชนิดเจเป็นเป็นลิงเป็นนกเป็นเป็นหมาเป็นหมาจริงจอก เ, อเป็น อจอระเคเป็นงูมันก็ได้คือมันเป็นหกชนิดแ ล, แล้วเราเอาเอาเชือกมาลัดไว้แล้วก็ปล่อยคือแต่ละแต่ละสัตว์แต่ละตัวก็จะพยายามวิ่งไปไปที่บ้านของตัวเองที่ทูกใจที่พอใจของตัวเองอ จระเข้ก็อยากจะลงน้ํางูก็อยากจะหายจะหา จ, จอมปลวกเล้งก็อยากจะเข้าป่าหมาเจิงจอกก็อยากจะเขา้เาเข้าป่าช้าหม า, าสุนัขธรรมดาก็อยากจะเข้าบ้านหรือมอะไรละนะงูนะ ง, ง, งูเล้งเล้งก็อยากอยากอยากขึ้นต้นไม้ นี่แล้วมันเป็นมันออกไปไ ป, ไปคนละทิศละทางกันแล้วก็แล้วแต่สัตว์ไหนตัวไหนมีกำลังมากที่สุดคือจะดึงสัตว์ตัวอื่นตามไปด้วยในพระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบคือแบนแบนเหมือนกับคือ6ตัวแลวตาหูจมูกเล่นกายใจ6 6ต่ ประตูที่เราได้รับรู้โลกนะในปกติมันแล้วแต่อันไหนนะมีกำลังมากที่สุดนะอชอบใจมากที่สุดเกลียดมากที่สุดนะมีอารมณ์มากที่สุดก็จะไปนทะั้งจะเป็นเรื่องเรื่องสิ่งที่เห็นก็ดีเห็นตาเห็นก็ดีหูได้ยินก็ดีได้ลิน้นได้สัมผัสอะไรมันก็จะวิ่งไปทางนั้นนะกลิน่นกลิ่นที่ได้จะ ที่ทางจะโบกก็ได้แล้วก็จะวิ่งไปทีนั้นนะมันจะเด้งเรื่องอื่นไปทางโน้นนะร่างทางร่างกายสัมผัสหรือทางจิตใจได้มีการคิดนึกคิดมีความรู้สึกก็แล้วแต่จะลากไปอ่าเลยมันก็มันก็จะค่อยพัดเปลี่ยนแล้วแต่อันใดที่มีกําลังมากกว่ากันอะไอย่างนี้โอ้ยวุ่นวายลนยะถูกถูกชักลากไปเรื่อยๆน ะ, ะมันขึ้นมันลงมันไป เดียวก็เดียวโลงน้ำ ข, น ข, นขึ้นตนไม้แล้วออกไปในบ้านนะวิ่งไปนี่ไปนั้นนะแล้วก็ชักลากนะเรื่องอื่นนะตัวอื่นไปด้วยแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ยกเปรียบเทียบอีก <c> แ <oughs> ง่นึ้งก็สัตว์หชนิดเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีปักรักเอาไว้อยู่ จะมีลักอยู่ที่ที่แน่นแล้วก็สัดทบเช่นนี้นั้นนะถึงจะคือมันมันก็เอาเชือกมาลัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเชือกมันมัดไว้ที่ที่ที่เสานั้นที่ลักนั้นแล้วมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาตามรอบบริเวณของของของของเสาของลักกันนั้นนะมันมันไปกลายไม่ได้ แล้วก็ไหนที่สุดเขาก็ต้องเหนื่อยอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไม่เวงหนีไปไหนเนละพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคือคื อ, คอตาหูจมูกลิ้นกายใจยของเราแต่ว่ามีหลักคือสติตั้งไว้ที่กายของเราเรามีสติตั้งไว้ที่กายในวิตที่ใดวิตที่หนึง่งจะเ็นด้วย อานาปานสัตย์การกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการตั้งสัตย์ไว้ที่กายหรือการตั้งสัตย์ที่ไว้ที่อิริยาบถข้างเราก็เป็นเป็นสัตย์ตั้งไว้ที่กายเป็นสัตย์ทีตั้งไว้ที่ความรู้สึกต่อร่างกายเป็นธาตุสเท่านั้นก็เป็นสัตย์ทอยู่ที่กายก็แล้วแต่หรือสัตย่ตั้งไว้ที่กายในลักษณะที่เป็น เป็นแบบอสุปรกรรมฐานา32ประการหรือให้มันง่ายๆเคสารลมนานักดันทาาัทโชตแผมขนแรปฝันหนังให้มันให้มันอยู่ที่กายของเราเมื่อสัตติอยู่ที่กายาคือถึงมีความรู้สึกก็ดีค ว, ความการสัมผัสก็ดี แต่มันมีลักยุดอยู่มีลักษที่ปักแน่นอยู่มันไม่วว่งกลายอมันจะอยู่จะมีลักที่ที่ทำให้อ่ได้ได้ได้ช่วยยึดไว้ในการที่ทําสติต่อเนื่องอ่ภายในกายของเราก็ก็เป็นสิ่งที่มีมีความสาคัญมากยิ่งโดยเฉพาะคือเราได้ ฝึกให้มีสติในเวลาที่เร า, เามีเวลาว่างมีเวลาที่จะที่จะปฏิบัติคือเรารีบตั้งรักไว้ที่ร่างกายของเร า, เาคือเรามีโอกาสพักจิตพักใจแต่ว่าแทนที่จะปล่อยจิตได้คิดนึกปรุงแต่งต่างๆหรือไปแม้ต่ก่อนที่จะทบทวน เรื่องอารมณ์ในจิตใจของเราให้มีสติไว้ที่กายก่อนอทําให้สติมีลักอืเอพราะว่าใจของเรามันไหวใจไม่ค่อยได้หรอกอมันมันลอกลวงเราอยู่ตลอดนะอืในเรากลับมาให้มีสติกั้นกลองไว้ก่อนสติตังปักลักไว้ก่อนอให้อยู่ที่กายทําให้มีอ สัติของเราได้ต่อเนื่องอเมื่อสัตติของเราต่อเนื่องและหนักแน่นมันก็คอยพิจารณาที่จิตก็ได้แหละแต่ว่าใดเราให้สัตธิมั่นคงไว้ก่อนแล้วก็คือนอกจากเวลาที่เรา <c oughs> เวแล้วเรานั่งสมาธิเลยปฏิบัติธรรมเขานั่นเป็นเวและส่วนน้อย ในชีวิตของเราวันหนึ่งไม่รู้ใจมากน้อยแค่ไหนหรือวันวันหนึ่งจะได้ได้ได้สเสดวยแล้วมีหรือเปล่า แ, ลแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีการตั้งสติไว้ในความรู้สึกที่ร่างกายเวละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลุกจะนั่งจะ ไปไหนทำอะไรพูดกับใครรับผิดชอบอะไรให้มีสติไว้ที่ร่างกายของเร า, เ, าเพราะว่าร่างกายคือทึงจิตใจของเราไม่อยู่คือมันรับรองไม่ได้ว่าจะอยู่ในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมจิตของเราน มันรับรองไม่ค่อยได้น่ะมันชอบไปนี่ไปนั่นนะ่ะแต่ว่ากายร่างกายของเราอยู่ในปัจจุบันตลอดนะ <c oughs> เรากลับมาตั้งรักสติถิที่กายของเราปุ๊บเราอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ทันทีเพราะกายไม่มีโอกาสที่จะนี้ไปไหนและมันก็ต้องอยู่ในปัจจุบันนะถ้าเราตั้งสติไว้แต่ไว่เป็นสวนที่เยาว์าแล้วเป็น เรียกว่าเป็นแคล็ดลับก็ว่าได้และเพื่อให้กายอยู่อยู่ในปัจจุบันกลับมาที่กายตั้งรักไว้ในกายไว้ก่อนแล้วก็พยายามทําให้มีการต่อเนื่องกับสติที่กายซึ่งเราก็ <c oughs> เราเดินเราก็เราก็กําหนดกําหนดที่ความรู้สึกเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะ เราก็ต้องเดินไปนี่เดินไปนั้นใช่ไหมก็คิดดูให้สังเกตดูเวลเราจะลุกขึ้นเดินไปไหนจิตของเราสติของเราอยู่กับงานเดินไหนเริ่มันเริ่มไปที่ปลายทางที่เราเร า, เรากำหนดจะไปมากน้อยแค่ไหนมันก็ก็เป็นส่วนที่ก็น่าสังเกตหรือ ไปคิดเรื่องอื่นปรุงเรื่องอื่นมันเรากําลังเดินอยู่ร่างกายกาลังเดินอยู่จิตใจ ม, มันไปที่อื่นแล้ว ม, มันไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะเลยเราเรากลับมาตั้งรักไว้ที่สติในการเดินหรือเราเราเราทำงานทำงานอยู่ที่เช่นทำงานที่ โต๊ะที่ทำงานหรือเราเรามีงานเช่นแ เ, เราก็ต้องทำงานคอมพิวเตอร์ใช่ไหม เ, เราอยู่จออยู่ข้างหน้ า, าตัวที่เราเราพิมพ์ดีดอยู่ที่นี่พกติใจของเราอยู่ที่ไหนมันก็รับรองไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าถ้าเราทำให้ ให้มีความรู้สึกสำนึกอยู่ที่กายของเรารู้ว่าความการวางแขนวางขาสันหลังศีรษะของเราอยู่ในท่าไหนแบบไหนเครียดหรือสบายตั้งอยู่อย่างไรก็เป็นการช่วยให้สติอยูอ่เพราะโดยปกติเราก็จะ ยิ่งยิ่งยิ่งทำงานด้านคอมพิวเตอร์แล้วคือจิตมันพุ่งอยู่ที่จ อ, อกายก็ไม่ได้สังเกตอแล้วก็นานๆไปทําไมมันปวดเมื่อยทําไมันปวดที่คอนี้บ้างหรือปวดที่ซ่อนหลังบ้างแลาวก็เพราะว่าเราไม่ได้มีสติอยอู่เราได้เราเราได้แต่เราแต่แต่พุ่งอยู่ข้างนอก แต่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีความสำรวมพอเลยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้อย่างหนึ่งทําให้กายกับใจสบายาแต่ก็ทําให้สัติอยู่กับกายกับใจของเราทําให้เราไม่ถูกดึ ง, ดงจากลากไป เ, เลยให้มีหลักให้มีหลักอยู่ไลยกลับมาที่กายมันช่วยได้เยอะนะ วันหนึ่งวันหนึ่งเนีย่ยว่าละมันเป็นเป็นเออเรามีการกระทำเออโดยปกติไม่ได้ไม่ได้สังเกตนีว่าใจามันก็มันมันก็จะเพอฝันไปเรื่อยๆวันหนึ่ง <c oughs> เรารับประทานอาหารอย่างน้อยก็คงสักสามครั้งคนไทยก็สี่ห้าหกครั้งนะ <c oughs> เที่ยวก็ได้นี่แต่นั้นลนะ แต่อย่างน้อยก็ตองวนต่อสาครั้งแล้ว <c oughs> ใจของเราอยู่กับกายหรือใจคำว่เราอยู่กับกับการลสชาติก็ดีการคิดนึกก็ดีหรือการพูดคุย <c oughs> เพลินอยู่ก็ดีแหละเราก็เป็นส่วนที่เก็เป็นโอกาสที่เราสามารถฝึกให้มีสติได้ตั้งรักไว้ที่กายอย่างการ สัมผัสการเขียวท่าของเราเขียวอาหาราเราก็เราได้ได้พาว่านาสังเกตนะคือบางที่เราไปแทนเราไปเราไปดักอาหารทายปะปากของเราพอได้ได้คือสัมผัสลิ่มลสอยู่ มันก็ก็คงมีความดีใจเพราะสมควรแต่ก็เคยออยังขี้ไม่แซดยังกลืนไม่แซดนะคือตามันจองแล้วว่าจะเอาอะไรอีกนะจะไหมมันไม่ตั้งหลักไว้นะมันมันออกไปนอกแล้วนะมันกํำลังของของความอยากของต้อ ง, อ, ง อ, ง อ, งองการของพลืพลืนความควยิ น, น, นดีอะจะเรียกว่ามเมาก็ว่าได้นะ ในการตั้งรักไว้ปักลักไว้ที่ร่างกายเออเรานั่งเรามีความสบายไหมเราเมืเคียวอาหารเป็นยังไงเทา่คือมันมันมันชะลอสักหน่อยชะลออารมณ์แทนที่จะถูกฉัดลากไปเลยพุ่งไปในอารมณ์และความรู้สึกออมันทำให้เพราะโดยปกติเราทำาอะไรถ้าถ้าหากว่าสัตีิคองเรา มีความต่อเนื่องอพอเราทำเสร็จจะไม่เหนื่อยจะมีความชื่นใจนั่นเป็นส่วนที่ ก, ก็เป็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตใจถ้าหากว่าเราเรามีสติยังต่อเนื่องทอํามะลายจ่ายของเรามีความสัมรวม์ทำเสร็จแล้วเราจะมีความชื่นใจเลยส่วนที่การที่ฝึกให้มี สัตติต่อเนื่องในวิธีใดวิธี่เึ่งแต่ยิง่งโดยเฉพาะการดังลักไว้ที่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่ช่วยไ ด, ไ, ดได้ได้มากในทำให้เราสามารถที่จะนีว่าทำให้ให้ให้สัตติมีได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะว่าแม้แต่เราดูํำสัก คำศัพท์ว่าภาวนาภาวนาถ้าแปลด้วยตรงว่าทำให้มีเกิดขึ้นเออเราทำอะไรเกิดขึ้นคือเราทำทำสัตติทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความสำรวมทำความสงบให้เกิดขึ้นอ่ามันก็เป็นการทำทำให้เกิดขึ้นของสิ่งที่ทำให้เออจิตใจและชีวิตของเราไม่คุณค่าอ่ารายการ เราเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ เ, เป็นผู้ภาวนาฝึกตนให้มีความจํนานเลยนีว่ารักสติก็เป็นรักที่ที่สำคัญมากนกะฝึกให้ให้มีสติแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่พูดว่าเออเราต้องมีสติอยู่มันค่อนข้างจะลอยๆอยเลยเราก็ต้องมีวิธีการสักหน่อย ในการตั้งสติไว้ที่กายของเร า, เาก็ในการเคลื่อนไหวในการกระทําก็ให้สติกับไว้ที่กายถึงเวลาที่จะาภาวนาหรือที่จะนั่งยังทําให้จิตใจสงบเราก็เราก็ได้ทํายังต่อเนื่องอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้น ในการทำให้จิตได้เกิดความสงบได้อะไรเวลาเรานั่งสมาธาิก็เช่นเดียวกันเราเราตั้งสติไว้ที่กายก่อนแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่ตลอดอคือเราได้ในไหนแะคือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีลมหายใจเข้าลมหายใจออก แล้เราก็จับความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเป็นเป็นฐานเราก็ได้สังเกตดูว่าลมหายใจเข้าคือมันยาวหรือสัน้นมันเบาหรือแรงก็ดูแค่นี้แหะดูจังหวะข่องลมดูจังหวะคองลมเข้าลมออกดูจังหวะคองรู้สึก เวล่ลมเข้ามันสบายไหมมันปลอดโปร่งไหมมันอึดอัดมันรู้สึกขับแคบไหมก็คอยสังเกตดูสังเกตดูเราก็คือเราก็ไม่ได้บังคับลมแต่ว่าเราก็ยังต้องสังเกตดูว่าเวล่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบไหนจึงจะรู้สึกสบาย เพราะว่าการที่ปฏิบัติหรือภาวนาก็ต้องอาศัยฐานของความสบายเช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักทำให้ความสบายเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเพราะว่าเราทําไปไม่สบาย อ, อึดอัดเจ็บปวดลำคาญ เท่วก็หยุดนะ่มันหมดแรงแล้วแหละ <laughs> แต่ว่าเราก็ต้องไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีความขัดข้องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักคอยให้กำลังใจกับตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้ได้พ่อนคลายโดยการสังเกตการดู เอ อ, เ, อ, อเวลาเราหลมหายใจเข้าหลมหายใจออก เ, ออเวลาเรานั่งออการท่านั่งออการว่างร่างกายของเราแบบไหนจึงจะรู้สึกกว่าสบาย เ, ออเพราะว่า <c oughs> จิตใจของเรา <c oughs> จะ อาศัยความคือความสบายอาศัยความอ่อคืออาศัยความสุขอย่างหนึ่งคือที่จะทำให้เกิดความความแนบแน่นภายในจิตใจของเราอา่คืออันนี้ไม่ไม่เดที่เราพูดถึงอาศัยความสุข ความแนบแน่นเราก็ไม่ได้หมายความว่าความสุขที่ได้จากจากการเพลิดเพลินในกวามอารมณ์แต่ว่าความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสํารวมความสุขที่ได้จากจิตใจที่มีคุศสธรรมล่อเลี้ยงมีความดีที่ล่อเลี้ยงความความรู้สึกอิ่มภายในจิตใจ เพราะว่าเป็นกระบวนการที่พระพุทธเจ้าเองท่านได้คันจะสอนยําแล้วยําอีกในในในในประสูนยะ์เวลาจะฝึกตนคือจะมีอะ่อความสุขและความสบายค่อยเกิดขึ้น จะอาศัยจิตที่มีการซ้ำนึกต่ อ, อสีศีลของตัวเองอก็จะมีความรู้สึกเวลาประลึกถึงซ้ำนึกถึงศีล ท, ที่ดีงามของเราเราเห็นว่าเออเราเราอยู่ยังโพที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใคร มันก็สมควรที่จะมีความรู้สึกปลาโมดเกิดขึ้นความอิ่มใจมันเป็นธรรมชาติของของจิตเราอยู่ในสิ่งที่ไม่มีโทษจิตจะมีความรู้สึกอิ่มขึ้นมาแลปลาโมดนะหรือเรามีศรัทธามีความมั่นใจมีความรู้สึกซาบซึง้ง ในธรรม ะ, อะของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในธรรมะคาสังสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะมีความรู้สึกมัน ม, มันมันมันมมันมันมันมันมมันนมันมันมันมันมัมันมัมันมมันมันมันมัมันมนมันมัมมนัั น, นัม โดยโยนิโสมานสิการจ่ายคองเราได้ใคร่ควรโดยรักธรรมใคร่ควรโดยรักธรรมแล้วอยู่ใน ค, คิดพิจารณาในรักในในคล่องธรรมจะเป็นเหตุให้เกิดความความเอี่ยมใจขึ้นมามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติของจิตในในพระพุทธเจ้าจะสอนอแล้วแต่จะสาเหตุไหนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความประโมทความเอี่ยมใจ แ้วก็คือถ้าแจากนั้นไปคือแต่ละสูตรก็จะเขา้ากระบวนการเช่นอันเดียวกันนะว่าพอได้ความประโมดเกิดขึ้นแล้วความอิ่มใจก็เป็นสาเหตุที่ได้เกิดปีติปีติก็มันก็แป็นความมันก็ปความอิ่มใจตึงตันใจคือความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดขึ้นภายในใจแล้ว ก็เป็นเป็นความรู้สึกธรรมชาติของจิตเวลาไ ด, ได้ตังอยู่ในรักธรรมก็ได้เกิดความความปราโมดนะเกิดปีติโดยปีติเป็นเป็นผัจจัยก็เป็นเหตุให้เกิดผัสติผัสติคือความสงบกายสบายกายสบายใจเป็นผัสติเราจะมีความรู้สึก กายก็คลี่คลายจิตก็คลี่คลายมันก็สบายโดยภาสติเป็นเป็นผัสใจก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขในลักษณะนี้เราก็ว่าเออก็มีฐานในธรรมะไม่ใช่ความสุขที่พลดเพลินตามตามโลกภายนอกนะได้เป็นความสุขที่มีธรรมะรองรับเียู่เรา จะมีหลายประสูตรที่พระพุทธเ จ, าจ้าจะกลๆว่าท่านจะยึดอยู่ตรงนั้นนะครับคือจิตที่มีความสุขจะเป็นจิตที่เกิดสมาธิโดยง่ายเพราะฉะนเป็นท่านจะระบุไว้เลยโดยบางสูตรท่านคือเพียงแต่ว่าโดยความสุขเป็นผัสจัยจึดเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะว่าจิตมีความ ความสุขมีความเอิมใจมีความพอใจมีความคลี่คลายลวคือมันพร้อมที่จะมีความแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่ทาจะอยู่กับโลมหายใจเข้าจะอยู่กับาการพิจารณาอารมณ์มันก็ได้ทางนั้นนะเพราะว่าอย่าว่ามันย็ดมันสบายมันมีความสุขะมันเห็นความสำคัญในสิ่งที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่บังคับไม่ฝืนนะ จิตมันพร้อมที่จะเข้าโดยคลองทําได้เลยการล้อเลี่ยงความสุขที่ถูกต้องอเป็นสิ่งที่ที่สําคัญการทําให้ความคลีคลายได้เกิดขึ้นทําให้ความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เ <c oughs> สียเวลา หรือเอ่อเอ่อคว่านอกทางของพระพุทธเจ้าอา่ เ, อาเป็นสิ่งที่เราต้องทองอาศาัยอยู่เพราะว่าธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนั้นอืมเลย <c oughs> แต่ว่าต้องต้องม่ข้อแม่หมหนกันกนะันคือมันต้องมีลักธรรมรับรองรับอยู่ อ ะ, อะไรไม่เป็นส่วนที่เราเราต้องว่คอยคอยพิจารณาคอยสังเกตแล้วก็คอยสนับสนุนเมื่อสติต่อเนื่องอย่างนั้นสมาธิคือเพระบสมาธิเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสติที่ต่อเนื่องอสติต่อเนื่องได้ก็เพราะว่าสนใจและพอใจกับสิ่งที่กําลังทำอ่า ถ้าเล่ า, าคือบางที่ยิ่งบังคับคือมันได้ผลในในเวลเาบางครั้งแต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเราต้องนึกถึงระยะเวลายาวาชีวิตนี้คือว่าการปฏิบัติธรรมการอยู่กับธรรมะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทำชั่วคราวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเป็นครั้งคราว ต้องเป็นสิ่งที่เราทำยัางต่อเนื่องและให้ได้อยอมรับว่ า, าคือเจตข้องเร า, เาคือให้ความสำคัญกับธรรมะยกธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆอเวลาเราให้ธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติธรรมคือเราต้อง เราก็ได้ทำให้ธรรมะอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่การมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราทำให้เราไม่สามารถดีใจอยู่ในโลกได้เลยแต่ว่าคือทำให้เราอยู่ในโลกโดยไม่ทุกข์โเกินไปแล้ก็ไม่ให้คนอื่นทุกข์ด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> มันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยักงมากที่สุดเลยเป็นส่วนที่ น่าสนใจออแต่มันก็เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เราเราปรารถนาเอมันก็ต้องมีเหตุะอืเหตุก็อยู่ที่นงวาที่สติะอืแต่ก็แต่ว่าสติลอยลอยแล้วมันก็มันก็ต้องต้องมามาคิดอีกทีแล้วให้ทํำยังไงจึงจะได้ให้มีหลักการที่ที่ที่ตรงกับําอมะ อย่างที่คำสอนของพระพุทธเจ้าแง่หนึ่งเรื่องหนึ่งที่คือ <c oughs> สำหรับอาตมาเองก็รู้สึกว่ามีความคือมีความประทับใจมาแต่ในแต่ลานะว่าความวิเศษของคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ มีวิธีการอยู่ตลอดเพราะว่าอย่างหลายคนก็มักจะถามในฐานะธรรมะเป็นเป็นฝรังเคยนับถือศาสนาคริสต์ไหมเรามีความแตกต่างกับศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธคำสอนเรามักจะเน่นอยู่ที่วิธีการคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอาศัย วิธีการอยูตลอดนะคือจะมีวิธีปฏิบัติวิธีคิดวิธีวางจิตใจวิธีตั้งทัศน์ในโลกนะทัศนะ์นะนต่อตัวเองคือจะมีวิธีการทั้งหมดตลอดนะเป็นเรื่องที่ที่น่าน่าสนใจมากนะเพราะว่า อ, อย่างพระบุทธเจ้าได้ยกตัวยอย่างคือมีคนคนหนึ่งเข้าต้องการนม เขาต้องการนมแล้วเขาก็เขาก็ค่อยศึกษาค่อยค้นคว้าหาหลักแล้วดูอ้ามันนมมันมาจากวัวไในเขาก็ก็ไปไปหาวัวเ้วก็ไปไปกดไปบีบไปไปไปนวดขามันก็ไม่ได้น่ไม่ได้นมสักทีเลย เออมั น, ม, นมันเกือบเพราะว่าได้ได้ได้ได้ทึ่งตัววัวแนละ้วแต่ว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้โน้มสักทีเพราะว่าโมูดเน่รูปขรัมอยูท่ที่ที่เขามันอหนนะี้มันอแต่ถามไปนวดที่โน้มมันเออมันได้นะมันได้ได้โน้มด้วยนะนี่ก็เช่นเดียวกันอธรร ม, มะของพระพุทธเจ้ามีไว้มีคําสอนก็ดีมีม อ, มอ่ การลักการต่างๆก็ดีแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการให้มันเอามาใช้อย่างถูกต้องอจึงจะได้ผลที่ดีทลที่เราปรารถนาเลยขอให้เราทุกคนให้มีความสนใจในวิธีการวิธีการของการปฏิบัติต่อธรรมะวิธีการในภายในตัวเราเองเพื่อจะได้ให้ธรรมะขับ ส, สอนของพระพุทธเจ้า ให้ได้พากดผลภายในชีวิตในจิตใจของตัวเองเอาสำหรับวันนี้อาตมาก็ให้ขอคิดในธรรมะก็คงพอสมควรแก่เวนาก็คอยยุติลงเพียงเท่านี้เอวัง